แต่ถ้าพวกใดที่ไม่ได้คิดมันมันบอกมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในหรอกตายแล้วก็จบกันเลยพวกนี้เป็นวิภาวะตันหาคงคงแบ่งนะว่าพวกกามตันหาบอกไว้อย่างเดียวสวยอันนี้ลักษณะของพวกกามตันหาไม่ได้คิดเรื่องเลยเกิดตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกไม่รู้อะไรแต่ว่ามันสวยคิดอยู่แค่นี้อันนี้นะกา마ตันหา ถ้าพวกภาวะตันหามาเนี่ยพวกนี้ก็คือสำคัญว่ามันมีกายอันใดอันหนึ่งที่อยู่ข้างในที่มันเป็นผิวอะไรก็ว่าไปแล้วเวลากาย ต, าตัวนอกมันตายตัวในอันนี้มันก็ก็ออกไปออกไปเกิดที่ไหนก็ว่าไปอันนี้เป็นพวกภาวะตันหาทวิภวะตันหาตายแล้วจบเลยตายแล้วศูนย์เลยอะไรเนี่ยพวกกามโมฆะเนี่ยพวกนี้ก็คือเน้นว่าชอบจิตใจในกาโมภะ พวคาพื่นี้ก็ติดใจในรูปประพบอรูปประพบเป็นพวคะแต่ถ้าทิโถโขค้านี้ก็ทิถีหกสิบสองแยกออกมาต่งางครัท่นี้พวคานี่นะฮะสมมติว่ามีรูปเป็นอารมณ์นะฮะก็หมายความว่าผู้นั้นเนี่ยมีปัญหาในในรูปที่จะไปเกิดแล้วมีรูปอย่างนั้นสมมติเราปรารถนาว่า เรขอให้เราตาไปแล้วเกิดถ้าเราดูดำๆขอให้เกิดดูพอมีสีขาวหน่อยอย่างงี้ใช่ไหมพวกพวกนี้เป็นกามโมฆะ ม, มั้งเป็นกามโมฆะใช่ไหมฮะคือคื อ, คอกลุ่มกากามโมฆะพะโวคะกับกา마ตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยคำอธิบายที่แตกต่างกันเพราะว่าทิฏโขฆะตัวเดียวทิฐิมันเกิดร่วมกับตันหาอยู่แล้วใช่ไหมหตัวทิฏิที่มาเกิดร่วมกับตันหามอธิบายเป็นภวะภวะตันหากับ วิภาวะตันหายกมาจากทิถุคะส่วนกามโมฆะตัวนี้เนี่ยแยกออกไปเป็นกามโมฆะกับพวคะเมื่อครู่ที่ท่านอธิบายนะคบว่าภาวะโอคะเหมือนกับว่ามีกายข้างในเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นความเห็นผิดซึ่งอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามีกายอยู่ข้างในแต่ว่าเราจะมีภาวะตันหาด้วยคือพวกภาวะตันหาเนี่ยมันเป็นตันหาที่ง่าย บวกศาสถะทิฐิวิภวะตันหาบวกอุเฉททิฐิเพือเวทีอธิบายเป็นศาสถะทิฐิกับอุเฉททิฐิอย่างเดียวแจของพระโสดาบันท่านก็ยังมีภวะตันหาอยู่พระโสดาบันมีภวะตันหาไหมมีเฉพาะภวะตันหาที่วิปยุทธตัวภวะตันหาที่เป็นวิปยุทธก็เป็นภวะตันหาที่เป็น เพราะว่าพระโสดาบันยังติดใจในรูปประพบกับอรูปประพบรูปประชานอรูปประชานคือภาวะตันหานี่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าเป็นไปกับสัสตตตถิฐิในอย่างหนึ่งกับกลุ่มที่เป็นไปกับอ่สองอย่างเนละรูปรูปประพบกับอรูปประพบกับพวกฌานพวกนี้เป็นเรียกว่ายังเป็นภวะตันหาอยู่แต่ว่าผู้ที่ละได้ก็คือละเป็นสัสตตถิถิกับ อุดเชททิถิถ้าเป็นภวะตันหาที่พอใจในการมาพบแล้วครับก็ก็เป็นการมตันหาอ่ามันมีอีกคำหนึ่งเนละอวิชชาคำหนึ่งภวะตันหาอีกคำหนึ่งถ้าอันเนี้ยพอใจในพบสาวถ้าคํานี้ถ้ามาคู่กันอย่างนี้แต่ถ้ามาอย่างนี้เนี้ยไอการมตันหาเนเอาไปกินหมดถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมะพบเพรา ะ, ะคว่าภาวะตันหาเนี่ยต้องดูว่า าาแต่ทิฏฐินี้ก็เกิดกับการมตัิหาด้วยครับเกิดแต่ว่าพวกนี้หมกคิดในแง่สีมากกว่าเคอมุ่งอธิบายตัวตัวโลภะแต่ถ้าเป็นภวะตันหาวิภวะตันหามุ่งอธิบายทิฏฐิแต่เป็นโลภะที่เกิดร่วมกับทิฏฐิ จะแยกระดับกันไหมครับว่าการพอใจในกามที่หวังที่จะหมกมุ่นหวังที่จะเข้าไปพัวพันกับการพอใจในความมีของสิ่งนั้น mm hmm. เพราะว่าอย่างการมีชีวิตอยู่นะครับพอใจที่จะมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่เข้าไปหมกมุ่นในการแย่เสพสีเสียงกินและผลประภะถ้าพอใจที่จะมีสิ่งนั้นจะเป็นเพราะวะตัณหาที่ไม่มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วย ก็คงถ้าเป็นภวะตันหาแบบนี้คงเป็นแบบนี้คงเป็นภวะตันหาที่มาคู่กับอวิชชาแต่ถ้าเป็นกรรมตันหาที่พอใจในการมาพบก็เป็นอย่างมีชีวิตอย่างนี้ก็เป็นพวกกรรมตันหาซึ่งศัพท์เกี่ยวกับเรื่องตันหาเนี่ยนะตันหาเนี่ยมันจึงมันจึงเป็นร้อยแปดจริงๆนะนะเป็นอะไรนะพูดกันไม่มีจบมีสิ้นสมุทัยาศาพตร์นี่มากจริงๆอะไรนะ คือถ้าอย่างกามโมคะพวกเนี่ยคือความใจแปลว่าติดกามคุณห้าความติดใจในกามคุณห้าเป็นกามโมคะส่วนพโวคพะพวคะคือโลภะที่ที่อะไรในติดใจในรูปฌานอารูปฌาน รูปประพบารูปประพบพวกนี้เป็นพระโคะส่วนทิฏโคะคือทิฏหกสิบสองอวิชโชคะคืออวิชาความไม่รู้ในฐานะแปดเช่นใช่ก็คือไม่รู้ธรรมะแปดถ้าเป็นถ้าติดใจในใติดใจในการมาพบว่ารวมๆนนมันติดในสีเสียงกลิ่นรสโภชภะอยู่เท่านั้นแหละ เคอถึงติดใจในเวทวงกามมาพบนะไม่พ้นกามาคุณห้าหรอกยังไงก็ติดเพราะติดอยู่ในกามคุณห้านั่นแหละจึงเพราะว่าขอบเขตของกาของกามาพบเนี่ยเนื่องจากติดใจในการมาคุณห้าเพราะผู้ที่ไม่ติดใจในกามคุณห้าพวกนั้นจะเป็นพรหมโดยถ่ายเดียวเนี่ยนะพวกพวกพี่ละกำไม่ไม่สนใจกามาคุณห้านะพวกนี้นจะเกิดเป็นพรหม คือในพูดถึงว่าพระโวค่านี้นะถ้าทําปริญญาท่านบอกว่าหนึ่งนะฮะรู้ลักษณะของก็ต้องรู้ลักษณะของรูปประพบารูปประพบรูปประชันรูปประชันรู้ลักษณะรู้การเกิดก็ต้องเกิดพวกนี้ใช่ไหมฮะรู้การดับอุบายเครื่องสลัดออกก็ต้องสลัดออกจากรูปประพบรูปประพรูปประชันรูปประชันก็เอาพวกนี้มาทําปริญญาเออพวกนี้ต้องพวกที่ติดใจในรูปประชันอรูปประชันเป็นต้นเนี่ะ พวกที่ต้องการเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะปัญหาที่ปรารถนาเกี่ยวกับเรื่องฌานกับเรื่องอ่านะเกี่ยวกับเรื่องฌานกับเรื่องพบเนี่ยพวกนี้มันต้องแยกสองส่วนนี้ออกอยู่แล้วจึงจึงมาคิดว่าทําไมเขาจึงต้องการได้อยากไม่ฌานได้ฌานแล้วผลของฌานเนี่ยทําให้ไปเกิดที่ไหนตัญหาตัวนี้ทําไมจึงไปชอบอ่านะเพราะเธอตัวฌานกับตัวพบเนี่ยกับตัวตัญหาโคลนัน คำว่าพโวค่าเน้นเน้นองค์ทําให้แก่โลภะวิปทยุทธ์เนี่นะก็คือโลภะนั่นเองเรื่องอื่นมากไปนะมันไม่เข้าตันหาสักทีเลยย้อนมาที่กามกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาโดยที่มีรูปเป็นอารมณ์นะแล้วมันไม่ได้มีอารมณ์แค่อย่างเดียวมันก็ตันหาสามคูณอารมณ์หกเท่ากับ สิบแปดเป็นภายในเป็นภายในสิบแปดเป็นภายนอกสิบแปดเท่ากับสามสิบหกตันหาอย่างนี้เกิดได้สามการเท่ากับร้อยแปดล้วก็โลกของตันหานี้ก็มีเรียกว่าร้อยแปดนะนี่ไในหนึ่งอีกในหนึ่งก็าตามตันหาร้อยแปดในคุตกวะวัตถุของคำพีวิพังนะน ก็มีกล่าวถึงตันหาร้อยแปดอยู่เหมือนกันทำไมท่านเรียกตันหาวิจริทธะวิจริทก็มาจากคําว่าวิจิตวิจิตคือมันเยอะแยะไปหมดเลยที่ง่ายๆว่ารูปตันหาก็อย่างหนึ่งสัท่าตันหาก็อย่างหนึ่งคันทะตันหาก็อย่างหนึ่งราสะตันหาก็อย่างหนึ่งโพธะพะตันหาก็อย่างหนึ่งธรรมะตันหาก็อย่างหนึ่งรูปตันหาที่ตันหาในรูปสีเขียวก็อย่างหนึ่งตันหาในรูปสีแดงก็อย่างหนึ่งตันหาในรูปสีขาวก็อย่างหนึ่ง นะก็แบ่งไปตามนั้นไปก็เลยเรียกว่ามันวิจริตก็มาจากคำว่าวิจิตนั่นเองส่วนวิตกหกวิตกหกเนี่ยเธิบายเป็นยังไงวิตกที่เป็นไปกับถ้าเป็นเบื้องต้นธรรมนาคงไม่ติดใจนะแต่ที่กําลังจะพูดถึงคือวิตกที่เป็นไปในฌานเพราะวิตกนี่นับเป็นหนึ่งในองค์ฌานเนี่ยนะวิตกนี่นับหนึ่งในองค์ฌานเนี่ยทีนี้ นี่ต้องเกิดร่วมกับปฐมฌานริตกนะเกิดร่วมกับปฐมฌานปฐมฌานนั้นอนะ่ะมีอะไรเป็นอารมณ์กสินกรสินแปดวั น, นะกระสินสี่ธาตุกรสินสี่นะต่อไปอีกอสุภะสิบกายคะะตาสติหนึ่งพรหมวิหารสามข้อเมตตาการุณาและมุทิตาและ ยี่สบสองเลยนอาณาปานะอีกหนึ่งอันนี้นี่ยกมาเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าได้ได้กล่าวโดยสิ้นเชิงวิตกนี้จะวิเคราะห์เหมือนวิเหมือนสัญญาได้นะฮะด้คำว่าวิตกอัิญาปาทวิตตกนั่นนั่นก็คือเพื่อจะวิตตกเนี่ยเป็นตัวที่เข้าไป วิตกเนี่ยนะเป็นตัวที่เข้าไปหนุนเจตนาเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องของชานนะครับมันจะได้วิตกอย่างเดียวก็คือธรรมอารมณ์ได้ได้อารมณ์ข้อเดียวคื อ, อคือในแง่ที่เรียกว่าเหมือนกับสัญญาเนี่ยก็ชื่อว่ากล่าวแล้วแต่ว่าที่เน้นเป็นพิเศษคืออยากจะเอายกมาเฉพาะส่วนของเกี่ยวกับฌานขึ้นมาเน้นเท่านั้นเองเห็นไห เกิให้รู้ว่าคําว่าวิตกหกเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ใช่ขอบเขตธรรมดาอมความไปถึงแม้แต่ฌานก็ยังอยู่ในคําว่าวิตกเนี่ยนะเพราะวิตกเกิดร่วมด้วยแโดยที่สุดแม้แต่ปฐมฌานจะกล่าวไปยายถึงวิตกล่างๆที่เป็นกุศลวิตกและอกุศลวิตกเพิร์นท้าวิตกที่เป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็ประดุดสัญญาที่กล่าวไปแล้วนั่นเองเหมือนเหมือนกันไม่ต่างกัน เกสินนี่อากาศกสินด้วยนะ่ะอโลกสินอีกหนึ่งนะอโลกสินอีกหนึ่งได้อะไรอีกนะได้อโลกะอีกอันหนึง่งก็เป็นเก้าแต่ก็จําง่ายๆว่าวันนักเกษินกระทาดเกษินเน่ยมันง่ายดิส่วนวิญญาณเกสินกับอากาศกสินเนี่ยไม่ได้เห็นะไหมนะก็อารมณ์หกก็เป็นการมันการมวิตตกเป็นต้นนั่นเอง กุศลวิตกกับอกุศลีิตกที่กล่าวเหมือนกับสัญญาที่กล่าวไปเหมือนกันคือคือถ้าที่บายก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสัญญาที่กล่าวไปหลายซ้าก็ผ่าน